เสียงงานหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่มหนึ่งพรรัตนสุวรรณเวอร์ชันไม่มีดนตรีบันทึกเสียงใหม่พุทธศักราช2568รวมปัญหาถามตอบเกี่ยวกับโลกหลังความตายนรกสวรรค์ชีวิตของโอปะปาติกะสิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์คือผีและเทวดาเป็นต้นในแบบที่มีเหตุผลไม่ขัดแย้งกับหลักธรรมและคนทั่วไปเข้าใจตามได้ง่าย เพื่อกระจัดความงมงายและนําไปสู่ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมและหลักปฏิจจสมุปบาทอันเป็นแก่นแท้แห่งพระพุทธศาสนาที่จะทําให้เข้าใจความเป็นไปแห่งสังสารวัฏหรือกฎแห่งธรรมชาติของชีวิตทั่วสากลจักรวาลได้ถูกต้องต่อไปโดยเฉพาะในหัวข้อสําคัญจากพุทธวจนะโดยตรงที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือทุกสรรพสิ่งในจักรวาลหรือวิญญาณเป็นรากฐานแห่งสิ่งทั้งหลาย สิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณเรื่องโลกหลังความตายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปสนใจกันมากแต่มักจะขาดคำอธิบายที่ถูกต้องหรือครบถ้วนเปรียบเหมือนคนป่าเข้าเมืองได้เห็นทีวีครั้งแรกก็คิดว่ามีคนเข้าไปอยู่ในนั้นได้จริงๆแล้วกลับไปบอกเล่าให้ญาติของตัวเองฟังอย่างมั่นใจความไม่ฉลาดทั้งคนเล่าและคนฟังจึงทาให้เกิดความเข้าใจผิดและเชื่อถือสืบต่อ ก, กันไปได้อีกนาน การศึกษาเรื่องเหล่านี้ที่มีคําอธิบายถูกต้องครบถ้วนและไม่ขัดแย้งกับหลักกครรมในทุกมิติจะส่งผลดีต่อการลาศกยัตทิฐิและความเข้าใจธรรมในระดับลึกรวมถึงการเข้าใจวิทยาศาสตร์หรือหลักธรรมชาติอันเป็นกฎในการเกิดดับและสืบต่อของทุกสปปรรพสิ่งจนเป็นผลให้มั่นใจในผลแห่งบาปบุญอย่างชัดเจนได้อย่างไรเชิญทุกท่านพิสูจได้จากหนังสือในชุดนี้ที่มีทั้งหมดห้าเล่ม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่สงสัยและยังเข้าใจผิดอันเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเป็นสังโยชน์ข้อสำคัญที่ต้องละให้ได้ถึงจะมีโอกาสบรรลุ ธ, ธรรมต่อไปนะครับคำตอบในปัญหาทั้งหมดได้มาจากคำบอกเล่าของโอปปาติกาโดยตรงผ่านการเรียบเรียงและอธิบายเพิ่มเติมโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงของไทย ผู้แปลและชำระพระไตรปิฎกอัรฐกถาดีกาฉบับมหาจุฬาผู้ก่อตั้งสํานักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งเป็นสถานที่สําคัญในการฝึกอบรมสมาธิและวิปัสสนาให้กับพระนิสิตของมหาจุฬามาจนถึงปัจจุบันหนังสือชุดนี้เผยแพร่ามาแล้วหลายสิบปีปรากฏเสียงตอบรับว่าส่งผลดีกับคนในวงกว้างอย่างมากโดยเฉพาะในวัยรุ่นและคนทั่วไปที่ไม่เคยสนใจศาสนามาก่อน ซึ่งเป็นจุดแรกที่สำคัญมากถ้าเข้าใจเรื่องพวกนี้อย่างถูกต้องจะเกิดความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ศรัทธาความเต็มใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญละบาปทำจิตให้เป็นกุศลจะง่ายขึ้นจะปล่อยวางเรื่องทั้งโลกได้ง่ายขึ้นเป็นบันไดขั้นแรกสู่การละมิจฉาทิฏฐิหลายอย่างส่งผลให้เข้าใจธรรมชาติแห่งชีวิตในหลายด้านได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ซึ่งตัวผมเองก็ได้รับประโยชน์จากหนังสือชุดนี้อย่างมากนะครับจนถึงขั้นทําให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธได้อย่างมั่นใจว่านี่คือทางพ้นทุกข์เพื่อการหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแท้จริงและเห็นชัดว่าเพราะคําอธิบายเรื่องพวกนี้ของอาจารย์พรมีผลดีต่อการศึกษาธรรมในขั้นสูงหรือในเชิงลึกขึ้นไปหรือมั่นใจเข้าใจคําสอนคําอธิบายหลายอย่างในพระไตรปิฎกที่เคยคิดว่าเหลือเชื่อหรือไม่น่าเชื่อได้อย่างสิ้นสงสัยเลยทีเดียว การศึกษาไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามแนะนำว่าหากมีอะไรที่สงสัยไม่เข้าใจหรือรู้สึกไม่เห็นด้วยให้ข้ามไปแล้วฟังทั้งหมดให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้งว่าควรเชื่อหรือไม่หรือฟังทบทวนอีกครั้งก็จะเห็นชัดว่าเข้าใจความหมายในเชิงลึกได้มากขึ้นหลักสำคัญของการศึกษาเรื่องชีวิตของโอปปาติกะไม่ใช่แค่ว่ามีจริงหรือไม่ จะต้องเพื่อความเข้าใจผลแห่งวิบากของกรรมเพื่อเข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทจนเห็นชัดว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาลแม้แต่วัตถุสิ่งแวดล้อมในทุกภพภูมิเกิดมาจากจิตหรือวิญ ญ, ญาณได้อย่างไรซึ่งเป็นการเข้าใจรากฐานแห่งทุกสรรพสิ่งอันเป็นความเข้าใจชีวิตหรือการเข้าใจธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่จะคิดว่าตนเข้าใจธรรมไม่ใช่แค่ท่องจํำระไตรปิฎกได้ครบทุกตัวอักษร แต่วัดได้เบื้องต้นด้วยการเห็นตามจริงว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือเป็นต้นกําเนิดของทุกสรรพสิ่งได้อย่างไรและต้องเจริญสติจนเกิดภาวะจิตผู้รู้ตื่นเห็นจิตที่เคยลงผิดว่าเป็นเราความจริงเป็นอนัตตาเป็นอีกสิ่งที่ทำงานเป็นต่างหากไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรคือเห็นจริงๆว่าเป็นอีกสิ่งต่างหากเหมือนกาลังดูทีวีที่เห็นตัวละครดาเนินเรื่องไปต่างหาก เห็นว่าไม่ใช่เราอย่างชัดเจนเป็นภาวะแห่งการเห็นจิตตามความเป็นจริงนี่คือแค่หลักเบื้องต้นถ้ายังทำไม่ได้ถึงจุดนี้ก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่าธรรมะที่รู้ที่ท่องจำได้นั้นเป็นของจริงซึ่งผู้ที่ยังไปไม่ถึงจุดนี้ก็ยากที่จะสอนธรรมะผู้อื่นโดยเฉพาะในเชิงลึกได้ถูกต้องจริงเช่นกันเอาแค่ไม่เชื่อหรือไม่กล้ายืนยันว่าผีเทวดาบาปบุญนรกสวรรค์ อภิน ญ, ญาหรือฤทธิ์ทางใจมีจริงอาจารย์พรท่านก็บอกว่าไม่ควรเป็นนักสอนศาสนาเพราะไม่มีทางสอนได้ถูกต้องจริงเลยนะครับผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะสอนให้คนรู้แจ้งสัจธรรมได้อย่างไรก็คงไม่ต่างกับคนตาบอดที่มั่นใจว่าสีเขียวสีแดงไม่มีจริงเพราะถ้ามีฉันต้องเห็นแต่นี่ไม่เห็นแสดงว่าไม่มีจริงแล้วก็เที่ยวสอนคนตาบอดด้วยกันว่าสีเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง แล้วลองคิดดูนะครับว่าจะสอนได้ถูกต้องตรงทางได้อย่างไรซึ่งเรื่องของอปปปาติกะและชีวิตหลังตายนั้นแม้เราจะไม่ได้อภิญญาก็สามารถศึกษาให้เข้าใจได้ผ่านคําอธิบายที่แยบคายและมีตัวอย่างให้เปรียบเทียบเห็นชัดในจิตของทุกคนได้และอาจารย์พรท่านก็ได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือชุดนี้และหลายเล่มหลักการนี้ก็คล้ายกับที่เราไม่เคยไปอยู่บนอวกาศ เราเห็นด้วยตาตัวเองว่าโลกลมแต่ทุกคนก็เชื่อมั่นโดยสิ้นสงสัยว่าโลกลมหรือแบนก็เพราะมีเหตุผลมากพอที่พิสูจน์เทียบเคียงแล้วเชื่อถือได้เช่นกันสำคัญคือแต่ละคนจะเข้าใจสิ่งที่ท่านบอกแค่ไหนเพราะบางคนก็มีกำแพงในใจที่หนามากไม่ยอมวางทิฏฐิเดิมลงก่อนไม่ว่าจะอธิบายดีแค่ไหนก็หาช่องโหว่ามาค้านมาเห็นแย้งได้เสมอเช่นกัน สำหรับโอปปปาติกานั้นคือกำเนิดชีวิตประเภทหนึ่งมีกายเป็นทิศเช่นผีเปรตสัตว์นรกเทวดาแต่มีการนำไปตีความและอธิบายว่าเป็นลักษณะของจิตในแต่ละขณะเพื่อให้รู้เข้าใจง่ายและเห็นชัดด้วยตนเองในปัจจุบันซึ่งคนที่เชื่อแนวนี้แบบผิดจุดประสงค์ในการสอนของท่านก็กลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเอีกเพราะพอเชื่อแบบนี้ ก็ปฏิเสธโอปปาติกะที่เป็นชีวิตอีกประเภทหนึ่งที่มีอยู่จริงและมีพุทธพจน์รับรองชัดเจนหลายแห่งว่าหมายถึงชีวิตประเภทหนึ่งมีกายเป็นทิพย์มีอายตนะครบถ้วนเป็นต้นถ้าเป็นแค่สภาวะจิตตาลักษณะตอนเป็นมนุษย์ก็คงไม่มีฐานที่จะทรงแยกกำเนิดออกมาเป็นสีประเภทดังที่เจ้ารึกไว้ในพระไตรปิฎกเพราะมีความต่างกันในแต่ละกำเนิดอย่างชัดเจน ท่านที่สนใจดูคำอธิบายเรื่องนี้ได้จากหนังสือผีและเทวดามีจริงที่อาจารย์พรท่านเรียบเรียงไว้นะครับตัวอย่างหัวข้อภายในชีวิตและสภาพแวดล้อมในโลกของโอปปปาติกะหรือโลกทิพย์การแพ้ท้องการฝันเกี่ยวกับโอปปปาติกะอย่างไรกติกของคนตายผิดธรรมชาติกับเรื่องวิญญาณวนเวียนไม่ไปไหน ปัจใยในการปรากฏตัวให้เห็นของโอปปปาติกะที่แตกต่างกันความจริงในเรื่องนรกย ม, มาบาลและต้นหิ้วควรปฏิบัติอย่างไรกับสารพระภูมิเทวดาที่ช่วยเหลือเรามีจริงหรือไม่การทำบุญกับความรวยแรงดึงดูดของกรรมเหตุให้คนไม่ดีดึงดูดสิ่งไม่ดีวิธีติดต่อวิญ ญ, ญาณและหลางสังหรวิมารในโลกทิพ กับเรื่องบริวารของเทวดาความเจ็บป่วยหลังตายของบางคนสายใหญ่กายเนื้อกับกายทิพย์เอตใดาอายุในโลกทิพย์จึงยาวนานควรปฏิบัติอย่างไรกับคนที่ตายใหม่ๆคนตายประเภทไหนติดต่อได้ติดต่อไม่ได้หนังสือของครูบาอาจารย์หลายท่านหัวข้อเป็นเพียงบางส่วนแต่เนื้อหาจริงมักจะมีเรื่องอื่นแทรกอยู่จำนวนมาก ในชุดแววเสียงสวรรค์ถ้าเปิดใจฟังให้จบทุกเล่มจะทำให้ได้แนวทางและเสริมความเข้าใจในหลายเรื่องได้มากและนำไปแนะนำคนรอบข้างได้ดีขึ้นกว่าการสอนธรรมะโดยตรงที่มักจะดูเป็นเรื่องยากหรือทำตามไม่ได้นะครับถ้ามีเชื่อมั่นในเวรกรรมหรือชาติหน้ามีจริงหลักในพระไตรปิฎกจะดูไร้าสาระทันทีจะเสียสละความสุขทางโลกจะมุ่งสู่นิพพานทาไม ถ้าพบชาติปอดอโลกนรกสวรรค์การวินว่ายตายเกิดไม่มีจริงท่านบอกว่าสำหรับคนที่ยังพื้นฐานไม่พอปกติพระพุทธเจ้าต้องทรงสอนเรื่องพวกนี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมในพระไตรปิฎกจึงไม่จาวรึกเรื่องพวกนี้ไว้เช่นการแสดงธรรมที่เรียกว่าอนุปกพิกถาที่ต้องแสดงเรื่องสวรรค์อันเป็นผลจากการทาบุญซึ่งต้องทรงแสดงไว้พอสมควร ไม่อย่างนั้นชาวบ้านจะเชื่อจะคล้อยตามได้อย่างไรการบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้สนใจเรื่องพวกนี้ก็ควรเข้าใจว่าทรงแสดงทำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลในเวลานั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาบา ร, รมีพร้อมบรรลุธรรมหรือที่ไม่ท่งตอบไม่ว่ากรณีใดก็เพราะเป็นคำถามเชิงอภิปรัชญาที่เริ่มต้นคาถามด้วยความเข้าใจผิดว่าอัตตาที่เที่ยงแท้ทาวรที่เรียกว่าอัตมัน ซึ่งจะตอบทางไหนก็ผิดทั้งหมดจะตอบว่าตายแล้วศูนย์หรือไม่ศูนย์ก็ไม่ได้เป็นต้นเพราะอัตานี้ไม่มีอยู่จริงแต่แรกตอบได้แต่เพียงว่าเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับเพราะหมดเหตุดูคําอธิบายเรื่องนี้โดยละเอียดได้จากหนังสือพุทธวิทยาซึ่งอาจารย์พรท่านอธิบายไว้แล้นะครับอยากให้ดูตัวอย่างหลายเรื่องในพระไตรปิฎกที่ทรงตรัสตอบคําถามว่าตายแล้วไปไหน ถึงขั้นคำตอบนั้นส่งให้เกิดศรัทธาขอบวชและสำเร็จอรหันในเวลาต่อมารวมถึงยังตรัสชัดสรุปว่าคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีโอปปปาติกามีอภิญญาอิทธิฤทธิ์มีจริงเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฐิบรรลุธรรมไม่ได้ผู้แสดงธรรมที่ดีต้องไม่ปฏิเสธสุดโตรงหรือแสดงธรรมด้านเดียวหรือยกมาอ้างเพียงแง่เดียวให้ดูตัวอย่างนะครับว่า สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุทธ์โตท่านแตกฉานปริยัติแค่ไหนท่านยังไม่ห้ามสนใจเรื่องพวกนี้แต่ให้สนใจอย่างไรเชื่ออย่างไรให้เกิดประโยชน์การปฏิบัติการสอนบางอย่างเหมาะกับคนบา ร, รมีพร้อมหรือมีพื้นฐานดีพอแล้วแต่ไม่เหมาะกับคนมาใหม่หรือยังไม่มีพื้นฐานเลยเหมือนนิทานหรือชาดกที่ไม่ใช่เรื่องจริง แต่กลับสอนใจคนปกติได้เข้าใจง่ายกว่าหลักอภิธรรมท่านพุทธทาสยังยอมรับเลยนะครับว่าชาดกมีประโยชน์มากและสอนคนให้เข้าใจตามได้ง่ายสิ่งที่หลายคนทำหลายศาสนาโดยไม่รู้ตัวก็คือการยัดเยียดสิ่งที่เกินฐานะทางจิตของเขาจะรับได้ในวัยและเวลาที่ไม่สมควรเหมือนการจับเด็กอนุบาลมาฝึกเท่านักกีฬาทีมชาติ หนังสือของอาจารย์พรหลายเล่มก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการสอนศาสนาผิดหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนยักเยื้งตามความเหมาะสมของคนแต่กลับไปจับเอาสิ่งที่ท่านสอนคนบางคนมายัดเยียดว่าทุกคนต้องทำตามนี้เท่านั้นจึงจะถูกต้องและบางทีก็แปลไม่ถูกหรือเข้าใจในยาแฝงไม่ตรงผลเสียหายก็เห็นได้ชัดกับการที่คนรุ่นใหม่ห่างไกลศาสนาเข้าใจผิดเข้าไม่ถึง หรือกระทั่งเลิกนับถือศาสนาไปจํจำนวนมากขึ้นทุกวันสำหรับเนื้อหาของแววเสียงสวรรค์ได้มาจากการติดต่อกับเทวดาหรือเทพชั้นสูงโดยตรงผ่านทางสมาธิซึ่งในอดีตเป็นคนจากหลายชาติหลายศาสนาเราคงไม่มีใครรู้ดีไปกว่าท่านที่อยู่ในพบนั้นแต่แม้อย่างนั้นก็จะเห็นได้ว่าเทวดาแต่ละองค์ก็มีความรู้จากัดตามระดับและความสามารถของตน ไม่ใช่จะรู้อะไรไปทั้งหมดการติดต่อก็ไม่ใช่ทำได้ง่ายทำได้ทุกเวลาหรือติดต่อได้กับทุกคนในส่วนของวิธีติดต่อนั้นแม่อาจารย์พรท่านจะทำอย่างเป็นระบบจนน่าเชื่อถือแค่ไหนก็ตามแต่ก็อาจมีบางท่านเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ขอให้ข้ามจุดนี้ไปนะครับแต่ให้ฟังละพิจารณาคาตอบที่ได้ว่ามีเหตุผลเข้ากับหลักกรรมของพุทธได้จริงแค่ไหน เมื่อเทียบกับคำอธิบายจากแหล่งอื่นที่ได้พบเห็นกันอยู่โดยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ว้างเป็นผู้วิเศษอยู่มากมายแต่ส่วนใหญ่อาจไม่ได้ในระดับที่สูงพอจะเข้าใจความจริงได้ชัดหรือรู้เห็นเข้าใจแค่บางส่วนเท่านั้นยิ่งท้าไม่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งจริงก็มาจะตีความหรืออธิบายไปในทางที่ผิดหรือไม่ครบทุกแง่ทุกมุมได้หรือแม้แต่จิตปรุงแต่งไปเองตามกิเลสและมิจฉาทิฏฐิที่มี และที่เป็นผู้ตั้งใจหลอกลวงโดยตรงหรือเป็นคนบ้าแบบไม่รู้ตัวก็ไม่ใช่น้อยถ้าหลงไปนับถือหรือเชื่อตามคนเหล่านี้ก็อาจจะพาตัวเองไปสู่หายนะได้เช่นกันนะครับเพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจเรื่องโลกหลังความตายควรศึกษาให้แตกชันรู้จริงก่อนเท่านั้นค่อยปักใจเชื่อแนะนำให้ฟังแววเสียงสวรรค์ให้ครบทุกเล่มและศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือของอาจารย์พรระทานสุวรรณได้อีกหลายเล่ม เช่นพุทธวิทยาสู่แสงสว่างความสวัสดีทศพลายานผีและเทวดามีจริงพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์และหนังสือปลาที่ท่านจัดพิมพ์เผยแพร่เช่นหนังสือชุดโลกทิพย์ซึ่งมีสีเล่มและการติดต่อทางวิญญาณเป็นต้นซึ่งหลายเรื่องชมรมผลดีได้จัดทำเป็นเสียงอ่านไว้แล้วนะครับแวเสียงสวรค์เล่มหนึ่งอ่านโดยอริยคุณชมรมผลดี ร่วมจัดทำโดยเจ้าภาพหลักไพศาลเตชะวะลีกุลครอบครัวอริยชาติพดุงกิจเยาวมานขจรเกียรติคุณเจ้าภาพรองชูวิศสีโพคาครอบครัวเอี่ยมวงสีวิเชียนสเลาหอมพระบุญญพัฒนติโกพจนาสํานักโนดครอบครัวจึงสมสีครอบครัวอาทิสกุลครอบครัวขหาสุวรรณสุดาพรตรงศิรินิจชามาโสภากุณยดาพุ่มพวงรวมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่อง